ธรรมเทศนาของพระสุทธทิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม28กันยายน2503เรื่องธรมนาบุญ เนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้ววันเวลาของพวกเราก้นทับวันจะเหลือน้อยลงทุกทีอายุวัยของเรามันเป็นของที่สิ้นเปลืองหมดถ้าโอกาสและเวลายังอยู่ก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติบำเพ็ญให้เต็มโอกาสและเวลาเหมือนเราทาํานาท้นาของเรามันยังดำไม่หมด ปลูกสร้างไม่เต็มถ้ามัวแต่เพลิดเพลินอยู่ถ้าฝนหยุดแล้วก็ไม่มีโอกาสเวลานี้เรียกว่าเป็นเวลาที่สมควรเป็นเวลาที่ยังมีโอกาสคล้ายๆกับว่าพวกชาวนาในเวลาฝนตกต้องรีบไม่ต้องหาโอกาสอื่นเวลาฝนกําลังตกน้ํากําลังมี ต้องรีบไถคราดรีบหวานรีบดำถ้าฝนแห้งฝนแรงเราจึงจะค่อยทำถ้าฝนมันไม่ตกเสิเลย อ, อย่างนี้ก็จะเสียโอกาสฉะนั้นพวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญในทางคุณความดีเรียกว่าทำนาบุญคือพระพุทธเจ้าแสดงว่าอุญยักษเกตัง โลกัสสาติข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นนั้นเป็นนาบุญของเราเป็นเขตนาบุญของเราผู้ไม่ประมาทนาบุญของเรานั้นคือประกอบด้วยโอกาสและเวลาอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยเครื่องสัมภาระที่เราจะต้องทำขึ้นอย่างที่สอง ประกอบด้วยภูมิประเทศเป็นชั้นที่สามถ้าสามประการนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญวาสนาบารมีของเราคือฝนที่ตกนั้นอะไรมันจะเลิศยิ่งกว่าฝนหาแก้วไม่มีฝนหาแก้วนั้นได้แก่ธรรมะซึ่งบรรยายถึงเรื่องพุทธรัตนะ พุทธคุณเสมอเหมือนกับแก้วธรรมรัตนะธรรมคุณก็เสมอเหมือนกับแก้วสังครัตนะพระสงฆ์ก็เสมอเหมือนกับแก้วนี่เรียกว่าฝนหาแก้วในบุคคลาทิศฐานในส่วนธรรมทิษฐานได้แก่ข้อปฏิบัติคือข้อปฏิบัติของเราที่ทำอยู่นี้ บางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยพุทธคุณบางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยธรรมคุณบางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยสังคคุณพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณสามชนิดนี้ให้ถือเสียว่าเป็นอันเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าฝนหาแก้วประการที่สองคือเครื่องมือเครื่องมือนั้นได้แก่ เครื่องสัมภาระเช่นเราจะทำสวนก็ดีทำนาก็ดีเราก็ต้องมีเครื่องสัมภาระที่จะต้องสร้างขึ้นเช่นชาวนาก็มีไถบ้างคลาดบ้างจอบบ้างและพืชพันธุ์ธัญาชาติที่จะปลูกสร้างลงไปในนาบ้างนี่เรียกว่าเครื่องสัมภาระอันนี้คืออะไรพืชผล ที่เราจะต้องฝังลงไปนั้นได้แก่ศรัทธาตัวศรัทธาอันนี้มันมีถึงสามชั้นที่เป็นพืชสำคัญพืชอย่างหนึ่งคือศรัทธาของเราเป็นศรัทธาตื้นๆธรรมดาศรัทธานี้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยากจะทำบ้างไม่อยากจะทำบ้างแต่ไม่กล้าทิ้งความดี อันนี้เป็นศรัทธาธรรมดาศรัทธาอย่างที่สองอยากจะทำไม่อยากจะทิ้งถึงมันยังไม่ได้อย่างลึกแต่ก็เชื่อนี่เรียกว่าศรัทธาอย่างที่สองศรัทธาอย่างที่สามมีตั้งแต่ความอยากทำอยากสนใจไม่เอาใจใส่กับบุคคลใดทั้งหมดเขาจะว่าดีก็ทำ ไม่ว่าดีก็ทำจะเป็นวันพระก็ทำไม่ใช่วันพระก็ทำอยู่บ้านก็ทำอยู่วัดก็ทำปักดิ่งดวงจิตเชื่อมั่นอันนี้ท่านเรียกว่าอาจละศรัทธาศรัทธานี้เปรียบเหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวนี้ถ้าทานาไม่ไถหวานไปมดก็เก็บกินหมดศรัทธาของคนวางเหล่า ตื่นตืนไม่สนใจมากมายเป็นแต่เขาเป่าหูก็เชื่อบางทีเขาหลอกให้เราหลงไปนี่เรียกว่ามเมล็ดข้าวมดมันคาบไปเกือบหมดนี่จำพวกหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งเอาเสียมไปขุดเอาจอบไปขุดแล้วก็หวานพืชพวกที่จะทำความดีนั้นอาศัยสืบสวนไตรตรอง พินิจพิจารณาดูเสียก่อนว่าเป็นของที่ควรแก่การหรือเปล่าเป็นของที่ควรแก่บุคคลผู้นั้นหรือเปล่าและเป็นเรื่องที่ควรแก่เราหรือไม่จะได้ผลมากน้อยเพียงใดแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไรแล้วก็ทำตา ม, ามอันนี้พวกใช้จอบใช้เสียมปลอดภัยบ้างแต่ยังไม่ดีเท่าไถหรือคราด มันยังตื้นอยู่ส่วนเราไถคราดแล้วหวานลงไปมันลึกมันได้แก่การโยนิโสมนาสีการใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ทั่วถึงเสียก่อนรู้จักเหตุผลแจ้งชัดขึ้นโดยตนเองไม่ต้องไปเชื่อเขาว่าไม่ต้องไปเชื่อเขาบอกมาทบทวนให้เกิดความรู้สึกในตนก็ปากบิ่งเชื่อตนของตน อันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเหมือนคนไถนาแล้วก็หว่านพืชอันนี้ดีมดรกกระจิบกระจาบไม่มีหนทางที่จะคาบไปกินได้เลยอันนี้ปลอดภัยนี่ศรัทธาคือพืชเป็นเรื่องที่เราจะต้องหว่านเครื่องมือของเราก็คือร่างกายของเราใจของเราร่างกายของเรา ก็หมั่นไปหมั่นมาบ่อยๆเหมือนกับคลาดไถสองขนไถไปทางโน้นไถตัดกลับไปอีกหญ้ามันก็ขาดนี่เครื่องมือเราคือกายมันไปมันมามันคบค้าสมาคมในสถานที่ควรเกิดบุญเกิดกุศล น, นี่ชื่อว่าไถข้อที่สองนั้นเมื่อมาพบมาเจอเราต้องวิตกวิจารณ์ ไตรตรองให้มันดีถี่ถ้วนด้วยปัญญาและความคิดเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นเราทำกรรมฐานอย่างนี้อยากให้มันสงบถ้าไม่พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนมันก็สงบยากฉะนั้นท่านจึงให้วิตกนึกถึงเรื่องราวที่เราเห็นนั้นวิจาร์พิจารณาทบทวนอนุโลมตามไปปฏิโลมกลับมา รักษาอย่างนี้ท่านเรียกว่าคราดเมื่อเราไถเราคราดหญ้าตายอย่างหนึ่งแผ่นดินราบลงไปอย่างหนึ่งเมื่อราบเข้าเราก็หวานข้าวเป็นกล้าที่เราจะต้องปลูกฝังในนาของเราเข้าวมันก็ ง, งามนี่เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องสับสร้างขึ้นซึ่งควรแก่โอกาสและเวลา พืชที่เราปลูกลงไปมันก็เกิดขึ้นงอกงามได้ผลดีปราศจากมดแมงตัวสัตว์นกหนูปูปิที่จะมาขาบมาเมล็ดข้าวเรานี้ไม่ได้นี่สำเร็จในการหว่านพืชและอีกข้อหนึ่งภูมิประเทศที่ควรแก่การทำนานี่ก็สำคัญเหมือนกันได้แก่สถานที่ เราถือว่าแต่ละแห่งและแห่งเช่นวัดเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปสร้างคุณงามความดีวัดใดที่มีความดีสถานที่นั้นชื่อว่ามีปุ๋ยมากถ้าสถานที่มีปุ๋ยมากเราไม่ต้องกลัวหมดเปลืองพืชหว่านเข้าไปเถอะถ้าสถานที่ใดไม่ดีเราก็หวานแต่พอสมควรไม่ให้เสียมารยาทเราไม่หวานเสียเลยก็เสียมารยาท ของมนุษยธรรมแต่เราไม่หวานเต็มที่ของเราสถานที่นั้นเรียกว่าเป็นสถานที่อยู่ของสงฆ์สงฆ์เป็นนาบุญของโลกและสงฆ์นั้นก็เป็นผู้ทรงศีลด้วยความบริสุทธิ์ก็เท่ากับว่านานั้นมีหัวคันนาฝนตกมาน้ําก็ขังเอาปุ๋ยใส่มันก็ขังถ้าใครไม่มีศีลบริสุทธิ์ ก็เท่ากับนาไม่มีหัวคันนากัน้นฝนตกลงมาน้ำในนาไหลหนีหมดใครจะไปหวานปุ๋ยก็ไม่อยู่มเมล็ดข้าวก็ไม่อยู่นี่ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นศีลท่านผู้รักษาซึ่งข้อห้ามสิกขาบทก็เหมือนกับว่ามีหัวคันนาด้วยดีส่วนน้ำฝนนั้นเป็นผู้ใส่ใจปฏิบัติมีความเคารพ ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนน้ําของฝนก็คือน้ําใจใสสะอาดน้ําใจเย็นใสสะอาดตอนนี้คําที่ว่าใจเย็นนี้มีความหมายหลายอย่างใจเย็นอย่างน้ําแข็งนี้อย่างหนึ่งใจเย็นอย่างฐานไฟฉายอย่างหนึ่งคําที่ว่าเย็นเย็นอย่างน้ําแข็งนี่ไม่ค่อยดีจับมากเข้ามือมันเป็นเน็บ คือคนเย็นเฉยไม่กระตือรือร้นขวนขวายทำความดีน้ำเย็นอย่างน้ำแข็งเย็นชนิดนี้ไปจับมากๆเข้ามันชามือมันจะเกิดโทษเกิดภัยคนเย็นใจไม่ขวนขวายพยายามทำความดีก็เช่นเดียวกันนี่ต้องรู้จักคำที่ว่าเย็นส่วนเย็นที่อย่างดีนั้นมันเย็นเหมือน่านไฟฉาย ทานไฟฉายมันมีความร้อนนะแต่มันเย็นอย่างหม้อแบตเตอรี่มันมีแสงสว่างแต่มันเย็นนี่ความเย็นอย่างนี้มันดีคือความไม่นอนใจบักบันพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนของตนเอาความดีฝังเข้าในดวงจิตร่างกายเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ความดีของเรานั้น เป็นแผ่นเหล็กหรือแผ่นตะกัวโลหะสำหรับที่จะดูดเอาไฟเข้าไปไว้ในตัวนี่ให้มันเย็นอย่างนี้เราจะไปนั่งบนหม้อแบตเตอรี่มันก็เย็นไม่มีทำลายมนุษย์แต่ว่าคนโง่มันอาจติดตายได้เหมือนกันเหตุนั้นความดีของผู้มีศีลและธรรมก็มีความเย็นแต่คนใดประมาทมันก็ไหม เผาเอานี่มันเย็นอย่างนี้ทีนี้อํานาจแห่งความเย็นนี้ก็โปรยปลายไปให้มนุษย์เรียกว่าฝนหากแก้วได้แก่การแผ่เมตตาจิตมีเมตตาเป็นที่อยู่ไม่มีความอิจฉาพยาบาทมีแต่ความเมตตาจิตนี่เมตตาจิตนี่แหละมันเป็นปุ๋ยอย่างสําคัญ เป็นเครื่องจะต้องส่งเสริมพืชผลต่างๆของเราให้งอกงามเจริญขึ้นหรือเปรียบเหมือนกับน้ําที่ขังหัวคานาปรารกรบในคุณงามความดีของตนไม่ประมาทอันนั้นก็เหมือนกับฝนตกเมื่อความดีของเราที่ ส, สร้างขึ้นเกิดความสงบจิตมีความเยือกเย็นอันนั้นเป็นเมล็ดฝนเมื่อหัวคานาก็ดีฝนก็ตก เมล็ดฝนนั้นก็ตกขังในไร่นาของเราในสมัยเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าสถานที่สมบูรณ์ควรที่จะต้องพากันรับสับสร้างเสียโดยเร็วนี่ท่านเปรียบอย่างนี้เรียกว่าภูมิประเทศหรือสถานที่ที่นี้นาบางแห่งมันแรงมันเขินไม่ค่อยจะมีฟ้ามีฝนบางสถานที่ ไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่บำเพ็ญ ส, สร้างคุณงามความดีแค่ศีลก็รักษาไม่คุ้มสมาธินั้นก็ยิ่งห่างไกลไม่สนใจสักนิดดวงจิตก็หนาไปด้วยความโลภหนาไปด้วยความเกลียดพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันสถานที่นั้นก็ชื่อว่าหัวคนาก็ขาดฝนก็ไม่ตกความเย็นก็ไม่มี ความดีก็ไม่ได้สับสร้างเมื่อใครหืนไปหว่านพืชพันธุ์ในสถานที่นั้นถังหนึ่งบางทีอาจจะสูญไปเลยบางทีก็อาจจะได้คืนมาบ้างฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่าให้พวกเราพากันเตรียมคราดเตรียมไถพากันเตรียมพืชพันธุ์ธัญญาชาติพากันหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่ทรัพย์ของเรา ที่จะต้องลงทุนเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาใคร่ควรอย่างนี้หรือเราได้พบผ่านเจอเห็นอย่างนั้นชื่อว่าบุญของเราวาสนาบารมีของเราเราก็ต้องพากันรีบเร่งบากบันพยายามเพราะศรัทธาก็เป็นของไม่แน่บางวันก็หดเข้าเรียกว่าศรัทธาหัวเตา่าบางวันก็ยืดออกมาบางวันก็หดเข้า นี่ไม่แน่ถ้ามันยืดมาวันนี้ก็รีบทําเสียไปถึงพรุ่งนี้มันจะหดต้องรีบศรัทธาของเราก็จะต้องรีบคราดเราก็จะต้องสร้างไถเราก็จะต้องสร้างเรามีเสียมมีจอบใช้จอบใช้เสียมเรามีคราดมีไถใช้คราดใช้ไถเพื่อพากันสร้างสมบัติให้เกิดขึ้นในตัว ภูมิประเทศนั้นเราก็หาสถานที่จับจองเราจะไปจับที่ไหนเราจะไปจองที่ไหนสุดแท้แต่ปัญญาของเราถ้าเห็นว่าที่นั้นแหละฝนตกมากตกบ่อยที่ลุ่มมีหัวคันนาดีมีปุ๋ยดีเราก็จะต้องมุ่งตรงไปที่ตรงนั้นไปถึงก็จะต้องจ้ำมันทันทีได้จอบก็คว้าจอบได้เสียมก็คว้าเสียม ได้มีดก็รีบถางไปทันทีรีบคลาดรีบไถรีบไปรีบมารีบหวานรีบรักษาพืชผลธั ญ, ญชาติก็จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราเปรียบคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญก็เช่นเดียวกันเมื่อมีชีวิตโอกาสและร่างกายของเรามีความสุขมีความสะดวกสบายตามสมควรก็อย่าประมาท ร่างกายก็เปรียบเหมือนกับคลาดกับไถนั่นแหละไถกันไปไถกันมาคลาดกันไปคลาดกันมาช่วยดูช่วยแลนี่ร่างกายเหมือนกับคราดดวงจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเหมือนกับพืชพันธุ์ธัญญาชาติธรรมะทั้งหลายก็เหมือนฝนเมตตานั่นก็เหมือนกับปุ๋ยทําให้พื้นแผ่นดินนั้นชื้นอยู่เสมอ ไม่แห้งถึงจะแห้งก็ไม่ถึงกับทําให้ต้นข้าวเราตายไปเมื่อเรามาเห็นโอกาสและเวลาเหมาะสมแต่เรื่องราวของเราเช่นนั้นก็ควรจะพากันรีบทอรีบแจวรีบพายรีบขนขวายพยายามอย่างภาษิตเขาว่ารีบทอรีบพายตลาดมันจะวายสายบัวมันจะเน่าคือยายแก่ พายเรือไปเก็บสายบัวจะไปขายที่ตลาดมัวแต่ช้าเหมือนเฉยอยู่ตลาดเขาเลิกหมดบัวมันก็จะต้องเนา่านี่ท่านจึงสอนว่ารีบทอรีบพายตะวันมันจะสายตลาดจะวายสายบัวมันจะบูดเราก็เหมือนกันเมื่อมีศรัทธาก็รีบเร่งบากบันพยายามตลาดคือได้แก่การที่พวกเราทั้งหลายได้มาฟังเทศ สวดมนต์อบรมจิตใจถ้าโอกาสและเวลาเช่นนั้นหมดไปเราก็จะไม่ได้คำที่เขาเรียกว่าสายบัวคืออะไรคือชีวิตไม่รีบเร่งขนขววยเข้าไปมันจะตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่าลมหายใจมันจะขาดเมื่อไหร่แยวเข้าไปคือความภาคความเพียรบากบันพยายามรีบไปเก็บ เครื่องที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนรวบรวมไปขายในตลาดใส่บาทใส่พก บ, บำเพ็ญคุณงามความดีนอกจากนั้นที่นี้สายบัวมันก็จะต้องเนา่าเมื่อหมดลมก็ตายตลาดจะต้องวายพระสงฆ์ก็เป็นของไม่แน่บางทีก็ตายบางทีก็สึกบางทีก็หนีบางทีวัดมันร้างไม่ร้างบางที คนทั่วมาอยู่นี่ตลาดมันวายก็พอดีแหละตลาดก็วายสายบัวหือลมหายใจมันก็ขาดเราก็ไม่สามารถไปขนขวายพยายามหาพัสดุ ข, ข้าวของมาถวายทานการกุศลได้เมื่อโอกาสเหมาะสมแก่เรื่องราวภาวะและชีวิตของเราก็ควรจะต้องทำไม่ประมาทพยายามรีบเร่งขนขวาย พยายามเสียโดยเร็วนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในการต่อไปนี้ก็จงบากวันปฏิบัติบำเพ็ญในส่วนจิตใจนี่พูดในส่วนหยาบๆยาบในส่วนภายในก็ยังมีอีกก็ให้พากันตั้งจิตทำความสงบใจพากันคลาดภายในพากันไถภายในกั้นดวงจิตกันไว้เสียเช่นปิดตาอย่าให้ใจมันรั่วออก น้ำมันจะไหลหนีความดีมันจะเสื่อมปิดหูอย่าไปฝ่ายใจในเสียงเรื่องราวต่างๆอันเป็นที่ไม่พึงพอใจความดีอยู่ภายในมันจะไหลออกปิดจมูกอย่าไปสนใจในกลิ่นให้สนใจแต่ลมปิดลิ้นอย่าไปยินดียินร้ายในรสปิดกายไม่ต้องแสดงมารยาทวุ่นวาย ทำใจให้สงบปิดใจไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องบาปและอกุศลที่เขาเรียกว่าปิดหัวคนาคืออินทรียสังวรศีลเมื่อปิดหัวคนาดีแล้วก็ความดีก็เต็มอยู่ในตัวนี่เราไถสิที่นี้ไถแต่บนหัวลงไปอโทเกสะมัถกาไถแต่บนศรีรษะไปจนถึงเท้าอุดทังปาทตลา ไถตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะตาจะปริยันโตคราดหนังให้ทั่วเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บดันตาฟันไตรตรองพินิษพิจารณาอนุโลมไปตามนึกปฏิโลมหวนมาถึงจิตคราดให้ดีหญ้ามันจะตายแผ่นดินมันจะราบพิจารณากายของเรากว้างสอกยาววา นาคืบไถมันให้แหลกคลาดมันให้ทั่วเชื่อมันลงไปเรียกว่ า, าศศกรมัสกตาศตรศัทธาเชื่อว่าเราทำดีต้องได้ดีเราทำชั่วต้องได้ชั่วเมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญอย่างนี้นี่เป็นนาบุญอย่างเลิศประเสริฐยิ่งกว่านาบุญภายนอกคือวิธีการบาเพ็ญสมาธิ ต้องปฏิบัติเหมือนกันกับส่วนภายนอกนี้จึงให้พากันบากบันพยายามบาเพ็ญในส่วนภาวนาทำจิตใจของตนให้หมดอากุศรจิตทำแต่ส่วนที่เป็นความดีให้เกิดขึ้นมีวิตกวิจารปีติวิตกเหมือนกับไถวิจารเหมือนกับคราดปีติน้ำมันอิ่มเอิบ สบายใจเอกขาตามเมล็ดข้าวมันก็จัดหน้าเราก็สําเร็จเต็มบริบูรณ์นามีอยู่สีไร่เต็มหมดธาตุทั้งสี่สีไร่คือธาตุสี่ดินน้ําไฟลมข้าวก็เกิดขึ้นทั้งสี่ไร่เหลือกินลาบรวยไม่อดไม่อยากเหลือกิน จะขายก็ขายไม่ขายก็แจกแจกอย่างไรแจกก็ได้แก่การที่พวกเรารู้จักแนวทางมีการแนะนำสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกันให้กว้างขวางเข้าไปอีกอันนี้เรียกว่าแจกขายทีนี้คงได้ผลตอบแทนมาจากการทำความดีชนิดนั้นเช่นเรามีความดีในตัวของเรา เราไม่มีความต้องการปรารถนาแต่เขาก็ให้เครื่องตอบแทนเช่นพระอย่างนี้เป็นต้นเขาให้เครื่องตอบแทนไม่ขาดให้กินไม่ให้อดไม่ให้อยากนอนดินเขาก็ไม่ให้นอนสร้างให้นอนแต่ละอย่างแต่ละชนิดนี้ได้เครื่องตอบแทนมาตั้งเหนือนอกเจตนานั่นแหละเปรียบเหมือนกับขายของนั่น มันก็สบายละทีนี้เราขายทุกวันผลตอบแทนก็ได้ทุกวันส่วนคารวาสก็น่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนกันถ้ามีความดีจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นไปได้ยากคืออะไรคือความเห็นบางอย่างมันยังไม่ยอมยังไม่ยอมจนใจยังอยากมั่งอยากมีอยากลาบ อยากรวยถ้ามีความอยากมั่งอยากมีอยากลาบอยากรวยก็ต้องหาเมื่อหามาได้มีแล้วใครเขาจะช่วยเหลือเราอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีของมีนะเป็นเครื่องบังตาของคนที่ให้ของไม่มีเป็นเครื่องเปิดตาแก่คนที่ให้อย่างที่ไปอยู่จันทบุรมีพวกจีนพวกเจ๊กในตลาดเขาเล่า วัดกื่นใปบินธบาทเขาใส่แต่ข้าวแต่กับข้าวไม่ได้ใส่เลยส่วนวัดป่านะ่ะแม้ข้าวก็เต็มบาทปรีลูกศิษย์ก็ถือตะ ก, กรา้าออกับแกงเท่านั้นแหละเต็มหมดมีพระบางองค์ไปต่อว่าญาติโยมทีนี้ส่วนโยมก็ตอบเขาบอกว่าวัดป่านะ่ะเงินจะบำรุงก็ไม่เคยหาโรงครัวก็ไม่ได้ตั้ง ถ้าใส่แต่ข้าวจะไปกินยังไงจำเป็นจะต้องช่วยท่านใส่กับใส่แกงให้สมบูรณ์จึงจะอยู่ได้ส่วนที่อื่นนั้นโรงครัวก็มีรายได้ก็แยะก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่กับใส่แกงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความมีมันปิดตาของเขาความไม่มีมันเป็นช่องโบให้เขาแลเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้ อีกเรื่องหนึ่งไปอยู่ที่ไหนก็ขี้มักมีอย่างนี้ไปอยู่โคราชก็เหมือนกันอยู่ที่วัดหนึ่งเขาอิดชา้าถึงเอามีดอิโต้ไปฟันคอลูกศิษย์เรามันก็ไม่รวยนักหนาหรอกแต่เขาเข้าใจผิดไปว่ารวยอุโรมสมบูรณ์จึงมีคนเอามีดไปฟันคอพระแต่มันไม่เข้ามีโยมเล่าให้ฟังว่าเคยถูกต่อว่า เรื่องเอาข้าวไปยืนรอใส่บาตรเฉพาะพระวัดนั้นเมื่อพระวัดอื่นมาไม่ศรัทธาเป็นต้นแกบอกว่าผมไปดูวัดนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยหัวหอมหัวเดียวก็ไม่มีในโรงครัวไปดูที่กุฏิก็ไม่มีมีแต่ผ้ากับบาตรจะไปหาผักหาญ้ามาต้มแกงกินก็ไม่ได้อย่างวัดอื่นแล้วก็ตอนค่ำ ไปเก็บผักไปไล่กระต่ายได้หนูได้ตุนอะไรมาก็ตามเรื่องเมื่อท่านทำอย่างนั้นผมจะไปทำบุญได้อย่างไรท่านไปหากินเองเสียจนเป็นที่พอใจผมจะพอใจกับท่านหรือไม่ผมก็ไม่ทราบผมไม่สนใจนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวอย่างที่เคยเห็นมาที่จันทบณ์จันทบณ์เคยไปอยู่นาน จนเกือบจะเป็นบ้านตัวเองรู้เรื่องอะไรต่างๆในเรื่องฝ่ายโลกก็ทราบในเรื่องของศาสนาก็ทราบที่เป็นคติดีมากคือวัดหนึ่งท่านมีทุนทรัพย์ลงทุนซื้อที่ดินให้ลูกศิษย์ปลูกเงาะปลูกยางเต็มไปหมดยางตัดวันหนึ่งก็ได้หลายสิบแผน่นเงาะปีหนึ่งก็ได้แยะส่งขายถึงพระ น, นครแต่ไม่มีใครไปให้กินเลย พวกตลาดเขาว่าไม่มีใครไปให้กินเงาะของท่านมันสวยมากงามมากราคาสูงส่งขายที่กรุงเทพส่วนพวกท่านเองนะ่ะกินเงาะขี้ข้อกเงาะขี้ข้อกเป็นลูกเล็กๆดำๆเขาเรียกเงาะขี้ข้อกส่วนสวยๆขายหมดชาวบ้านเขาก็ไม่ได้นึกว่าท่านกินอย่างนั้นลูกเงาะท่านมองในสวนสวยงาม ลูกใหญ่ลูกโตลูกของเราดำๆแลนะหรือจะไปถวายก็จะกินอย่างไรของท่านก็พอแรงเลยไม่ไปถวายให้กินในที่สุดตัวก็เลยอดไม่ได้กินของดีกับเขาหรอกกินแต่เงาะขี้คอกอันนี้มันเรื่องอะไรความมีมันเป็นสิ่งบังตาเขาเขาไม่ช่วยนี่เป็นตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีอยู่แยะหลายอย่างหลายเรื่อง หลายเราที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะถ้าใครเป็นผู้ยอมเสียสละตัวให้ไม่มีเสียอย่างหนึ่งคนนั้นไม่อดตายถ้าไม่ยอมเสียสละยังต้องการเป็นคนมีอยู่บางทีก็จะมีกินบางทีก็จะอดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราถ้าเข้มงวดเข้มแข็งกล้าหาญ สามารถที่จะยอมเสียสละนึกว่าไม่เป็นไรสําหรับชีวิตหนึ่งแต่ว่าเป็นไปได้ยากหน่อยไม่ว่าแต่โยมแหละแต่พระก็ยังไม่ยอมจนยังอยากมั่งอยากมีอยากราบอยากรวยเห็นพระในพระนครมาทำวัดเมื่อก่อนพรรษานี้เขาบอกว่าแย่แย่บางวันไปบินธบาตกลับมาได้ทัพพีเดียวต้องกลับมาให้ลูกศิษย์ หุงข้าวให้กินรู้สึกว่าคนไม่ค่อยจะใส่บาตรลำบากอัตคัดขาดแคลนในการเป็นเช่นนั้นมองได้สองแง่แง่หนึ่งท่านเป็นผู้เที่ยวสแสวงหารายได้เขาเข้าใจว่าท่านามั่งมีคนชนิดนี้จะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้เขาเห็นอย่างนี้ในแง่หนึ่งแง่ที่สองเขามองถึงคุณภาพว่าคนนั้น เป็นคนที่หายนะไม่ขนขวายพยายามก่อสร้างคุณงามความดีมีแต่ตับสร้างความเศร้าหมองสองแง่นี่แหละเป็นเหตุให้เขาเสียศรัทธานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าใครอยากมีอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขแข่งขันกับโลกผู้นั้นจะต้องจนคนใดไม่เอาเปรียบของโลก เขาจะมีก็สาธุให้เขามีไปเถิดแต่เราก็แค่นี้แหละไม่มีทําตนเป็นคนไม่มีถ้าไปทําตนเป็นคนมีขึ้นแล้วก็เดือดร้อนละถ้าทําตนเป็นคนไม่มีนั่นมันถึงจะเกิดมรรคเกิดผลมีก็เหมือนกับไม่มีคือมาอยู่กับความมีทรัพย์ภายในมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในศีลศีลมันเป็นพื้นแผ่นดิน เรียกว่าศิลวัตสมาธิมันเป็นกุติดีกว่าตึกปัญญาเป็นเครื่องปกคลุมกันแดดฝนไม่ให้ร้อนมันดีกว่าภายนอกไม่ได้ไปอยู่ในวัตถุเหล่านั้นทํำไมถึงไม่อยู่ในวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นมันไม่มีเจ้าของมองไปได้หลายแง่แง่หนึ่งเห็นว่ามันไม่มีเจ้าของสักคนคนที่ให้ มันก็ไม่มีสิทธิ์คนที่รับเขาก็ไม่มีสิทธิ์เจ้าของมันอยู่กับใครมันเป็นของกลางโลกไม่มีเจ้าของก็ปล่อยเสียสละไว้ตามธรรมชาติใจไม่เกี่ยวข้องกังวลแต่ทำไปตามหน้าที่ใจจิตฝักไฝกขวาดล้างอยู่ในส่วนศีลและธรรมบำเพ็ญสมาธิเป็นเครื่องอยู่เรียกวิหารธรรม บำเพ็ญปัญญาเป็นเครื่องป้องกันปกคลุมถ้าเราอยู่โดยอาการอย่างนี้ไม่ตายไม่จนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอริยทรัพย์เป็นสมบัติของนักพรตเป็นสมบัติของนักบวชสมบัติของนักปฏิบัติการที่มีเจ้าของมียังไงถ้าไปยึดว่าเป็นของตัวมันก็เป็นคนโกงต่างคนต่างโกงโยมก็ยึด ว่าเป็นของโยมพระก็ยึดว่าเป็นของพระต่อไปก็จะไปตีกันอยู่ข้างมอนรกจะไปแย่งสมบัติกันอยู่ข้างมอนรกให้โยมมาบานตัดสินสิ่งใดที่เราเสียสลับไปนั้นถ้าเราไปยึดเป็นของเราของเรานั่นก็ชื่อว่าเราผูกสิทธิ์อีกยังผูกพันอยู่พระก็ว่าของเราของเราเขาก็ให้แล้ว จิตผูกพันอยู่ไม่เสียสละไม่ปล่อยไม่วางตายปับ๊บนี่เป็นเวรผูกพันไปอยู่โน่นแหละไปเล่นงานกับพญาย ม, มาบาลโยมก็ว่าของโยมพระก็ว่าของพระดึงกันไปดึงกันมาเมื่อดึงกันไปดึงกันมาทำยังไงทีนี้ใครจะตัดสินก็พญาย ม, มาบาล น, นั่นแหละตัดสิน อย่างเรื่องตานาตาอินได้ปลานั่นแหละตานาตาอินแย่งปลากันตาอยู่เป็นผู้ตัดสินให้ตานาเอาหัวไปให้ตาอินเอาหางไปมันอยากแย่งกันกูเอากลางตัวไปกินโวยมันก็อร่อยตาอยู่นั่นแหละนี่ฉันใดก็ดีเมื่อเราไม่มายึดสิทธิ์ว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวมันก็ไม่มีโทษโทษชาตินี้ มีความกังวลมีความเกี่ยวข้องมีจิตผูกพันชาติหน้ามันก็เป็นห่วงเป็นใ่ฉะนั้นจึงควรพิจารณาว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเจ้าของมียังไงลองคิดดูซิเรามีเงินบาทหนึ่งเงินบาทของเรานะ่ะถ้าเก็บไว้ตั้งแต่เด็กจนโตนะมันเต็มบ้านแหละเงินแต่มันมีเต็มบ้านไหมล่ะเปล่าเก็บไว้เดือนละร้อยระชั่ง มาปัจจุบันเหลือไม่ถึงสิบบาทถ้ามันเป็นของเราจริงมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นมันไปโน้นมันไป น, น, น, ไปนี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราขืนยึดตัวเป็นเจ้าของแล้วก็โศกาเงินสิบบาทเราไม่ยอมเสียสละเราอดตายเงินสิบบาทมันกินไม่ได้เราต้องยอมเสียสละให้แก่แม่ค้าจึงจะได้กะปิน้ำปลามากิน นี่ฉันใดก็ดีสิ่งทั้งหมดท่านไม่ให้ยุติสิทธิ์ปล่อยวางลงไปตามสภาพยกเอาแต่รสเราปล่อนเอาแต่เนื้อมันวัตถุข้าวของต่างๆมันเป็นกากเนื้อมันคือเรายอมเสียสละเกิดความปลื้มใจนั่นเนื้อมันอย่าไปกินกากส่วนวัตถุมันเป็นกากกากเราคายออกไปให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่เราด้วย เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเนื้อมันก็คือบุญกุศลที่เราได้มาเมื่อพิจารณาอย่างนี้มันก็สบายใจไม่ยากไม่จนมันก็ลาบรวยมั่งมีสีสุขจะกินอดอยากเขาก็ไม่ยอมให้กินอดอยากจะนอนดินเขาก็ไม่ยอมให้นอนจะนุ่งผ้าขาดขาดเขาก็ไม่ยอมให้นุ่งมันก็เพราะอะไรก็เพราะว่า ท่นไม่แข่งขันลาบรวยกับชาวโลกมีช่องโบให้เขาแลเห็นนี่ทําความไม่มีในใจก็ยังดีแต่ความมีของโลกเป็นธรรมดาข้อสําคัญอย่าให้มันมีในจิตให้จิตมันว่างเปล่าเป็นของดีเลิศอย่างพวกเราก็ให้เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สบายคนที่บริจาค ก, ก็หมดเวรหมดความผูกพันคนที่รับ ก็หมดเวณหมดความผูกพันของนั้นมันก็เลิศเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อไปปลูกลงไปทีนี้เราไปปลูกในสวนคนอื่นพื้นที่ของเราไม่มีไปปลูกในสวนเขาเมื่อมันโตเป็นลูกเจ้าของสวนมันก็เหนียวเราผู้ปลูกมันก็เหนียวเกิดเรื่องละทีนี้ขึ้นสารลงสารให้ตุลาการผู้พิพากษาตัดสินจึงจะสาเร็จ อันนี้พวกเราสิ่งต่างๆที่จะมา ส, สร้างบำเพ็ญในวัดก็เช่นเดียวกันคนอยู่วัดก็เหนียวว่าของกูคนให้ก็เหนียวว่าของกูจะไปพิพากษากันที่ไหนเล่าโน่นไปหาพญาย ม, มาบาล น, นั่นคนโง่แต่คนฉลาดไม่ต้องขึ้นนั่งแท่นว่าความมันเลยนั่งแท่นคือสมาธิ ผู้พิพากษาตัดสินคือปัญญาว่าไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกตัดสินไปเด็ดขาดไม่ยึดไม่ถือเท่านี้ก็สำเร็จนี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเรียกว่าวิมุตตความหลุดพ้นพวกเราควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้เรื่อยไปตัวเราก็เกลี้ยงส่งของก็เก่าเราก็สบายหายใจก็ทั่วท้อง นี่เป็นของดีเป็นของเลิศไม่เป็นของเลเอะเทอะและเป็นของไม่โสมมถ้าหากว่าเราถือว่าเป็นของเรานั่นแหละเราเอาไปกำรรไว้ของที่กำรรนานๆเหงื่อมันออกเหงื่อมันไหลของนั้นมันก็ส ก, กรปรกความเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของตัวยึดมั่นนั่นแหละสนิมมันจะเกิดสนิมคือความยึดความถือ มันนํามาซึ่งความเศร้าหมองจิตเรียกว่ากิเลสหรือมนทินญาติโยเหมือนกันเมื่อเรายึดถือมากๆเหนือมือมันไหลนานๆเข้ามันสกรปรกถ้าเป็นเหล็กมันจะเกิดสีแดงขึ้นถ้าเป็นก้อนข้าวมันก็บูดกินไม่ได้นี่ความโลภมันเป็นน้ํากรดความโกรธมันก็เป็นน้ํากรดความหลงมันก็เป็นน้ํากรดธรรมดาน้ํากรดเข้าไปอยู่ที่ไหน ก็กัดทำลายหมดดวงจิตที่หนาไปด้วยความโลภหนาไปด้วยความอยากหนาแน่นไปด้วยความหลงพระว่าดญาติโยมส่งเสริมเพิ่มพูนเท่าไร่ยิ่งชิบหายเท่านั้นน้ำกรดมันกลืนกินหมดนี่มันเป็นอย่างนี้บางทีโยมที่ให้ของเขาอัดน้ำกรดเสียก่อนเมื่อให้ไปน้ำกรดก็เข้าไปกัดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอ เหตุนั้นโทษของกิเลสจึงเป็นเหตุเกิดความยากจนเกิดความขับแคบเกิดความไม่สบายใจฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันคิดนึกตรึกตรองมองอย่างนี้นี่เป็นนาบุญเหตุขยายไปส่วนวงนอกเกี่ยวถึงเรื่องเจริญกรรมฐานพิจารณาสังขารก็เช่นเดียวกันนี้เรียกว่าไถเรียกว่ากรบเรียกว่าคลาดเรียกว่าหวาน เรียกว่าดําเรียกว่าเกี่ยวเรียกว่าเก็บเ ร, กเรียกว่าตําเรียกว่าต้มเรียกว่าหูงให้สําเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีก็อ้วนพีอิ่มนําสําราญเบิกบานจิตนี่พวกบริโภคบุญบริโภคกุศลอ้วนพีร่างกายไม่เหิวแห้งจะเดินได้แต่โลกนี้ถึงนิพพานไม่เสียกําลังกิเลสมากกัดกร่อนร่างกายสึกหลอ เดินไปสวรรค์ก็ไปไม่รอดมันอ่อนเพลียไปนิพพานก็ยิ่งเสร็จเหตุนั้นผู้จะหล่อเลี้ยงผู้บำเพ็ญความดีเดินทางไกลให้รอดนั้นต้องเลี้ยงด้วยบุญต้องเลี้ยงด้วยกุศลทําผลให้เกิดขึ้นในตัวจึงจะไปได้เหตุนี้เมื่อพวกเราพุทธบริษัทได้พากันทบทวนไตรตรองพิจารณาก็จงพากันสร้างศรัทธาให้มันเกิด สร้างความพยายามภาคเพียรให้มันกล้าพากันมีความอดมีความทนกลั่นน้ําเค็มให้เป็นน้ําฝนให้เย็นจนได้อย่าให้มันเย็นเป็นน้ําแข็งให้มันเย็นเหมืนหม้อแบตเตอรี่เมื่อต้องการเปิดหาแสงสว่างก็จะได้สําเร็จตามความปรารถนานี่บรรยายมาโดยเบ็ดเสร็จเป็นเครื่องปรับปรุงเตือนใจแก่ชาวเรา ไหนๆพวกเราจะต้องตายประการหนึ่งประการที่สองโอกาสเวลาที่เหมาะสมนั้นก็จะสึกรอไปทุกทีมีอยู่ชั่วเวลาอีกเจ็ดวันเศษก็จะหมดเวลาเข้าพรรษาแล้วฉะนั้นเมื่อเวลามีฝนหาแก้วจงพากันรีบคลาดรีบไถจงพากันรีบหวานรีบดับบำเพ็ญคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้น เมื่อมีความคิดเห็นโดยอาการเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็จะก้าวไปสู่แต่ความเจริญงอกงามทายเดียวไม่มีความหายนะมีแต่วัฒนธรรมนำบุคคลผู้นั้นให้ใกล้ต่อมรกผลนิพพานมีดังได้บรรยายมาในปกินณกะธรรมก็จะยุติลงแต่เสมอเพียงเท่านี้